เรียวพระสงฆ์เกิดขึ้นไหนพระพุทธศาสนาในวันนี้คือคนทั ญ, ญาภาพคนธันยาภา์คือใครคือภามทั้งแปดที่ไปทำนายลักษณะของศีรัทธะตั้งแต่ประสูติใหม่ทำนายลักษณ ะ, ก, ษณะก็ทำนายได้แม่นยามว่าศิรัตถะนี้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 อาคาเบชีคือพิมพาสาวงาม <c oughs> <c oughs> มาเป็นดักราเบชีมีชนอมคำนั้นในตลอดเวลายันไม่เห็นอะไรอยู่ในแต่ประสตท์ส า, ามฤดูแล้วดูร้อนอยู่หลังหนึ่งแล้วดูหนาวอยู่หลังหนึ่งแล้วดูผลอยู่หลังหนึ่งค <c oughs> นในย า, าพรางว่ายังไมยังไม่หมด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 เอาลูกของพรามส่วนพรามที่ไปทำมายลักษณะด้วยกันนั่นหมดชีวิตไปแล้วเพราะเป็นคเน ท, ท่าคนแก่โดยชวนเอาลูกของพรามเลยว่าปะปะพัทยภานามะอสคีไปด้วยกันบอกติดตาม<อ>เพื่อให้ใหสิทะอวบอวนแล้วจะได้ตัดรลูบางโปูดพวกเราอตามไปไนั<อ>่น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 นีไปอยู่ปันอิสิปตนะโน้นเมืองพราลาสีพุทธกยาจากเขาเมืองพรานาสีเนี่ยมันไกลกันนะนอย่างน้อยตสามร้อยกวม้อสี่ร้อยกว่าหม้องท่ากุงเทพอะคุยพรมเนี่ยละจเจ้าเมื่อตัดเช้แล้วในวันเพ็ญเดือนหกต่างได้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 มันจึงทำได้ทุกชีวิตทุกชีวิตก็มีอยู่อย่างนี้ยเรามามีสติมาดูเนี่ยเมื่อเห็นเนี่ยอานเท่าไหร่ชีวิตของเรานี่ระวางรู้ระว่างหลงน่มันมากกัวกันเท่าไหร่เราจะปล่อยให้หลงอยู่เช่นนั่นเลยแก้ตัเรามาเดินจงกรมยกมือเคลื่อนไหว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 มันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเราไม่ทำตรงนี้อะอะไรที่เป็นชีวิตของเราเวลาที่เราใช่ไปมันไปนยังไงสัมผัสดูสัมผัสกับผมไม่หลงสัมผัสกับผมไม่ทุกข์สมัมผัสกับผมไม่โกรธทุกคนก็มีเรื่องเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ได้เปเะโยน์ไม่หลงเรื่องใดก็หลงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง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 มากขึ้นก็แสงตะเกียงตอนแสงดวงอาทิตย์ก็ลู้แจ้งโลกโตกวิถูอันที่มีอยู่ในกายกวงสอกจะวานาคือปูมดไม่ใช่ไหมลู้เลีอยนนั้นมันจบตรงนี้เรียกว่าลู้โลกมีสติเป็นด้านรอบการมีสติเป็นด้านรอบในรูปในนามในกายในใจทั้นเรียกว่าพระอหรหันต์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 มักบ่มเป็นจริตเป็นนิจยเทอะไม่เคยสอนสอตนเตือนตอนแช่ไขตนเองโดยอยู่นั่นโอ้คูนไปจนมามนนกเหมือนดินพ่อขาวหมูเป็นเจ้าอาราุณโทสะจริตงูหอจริตลาค้าจริตโมห้าจริต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 มันมีทางนี่ว่าอาริยมรรคอริยมรรคเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานคือทําไม่ไหนเนี่ยอย่างไรพูดมเมื่อวานนี่ยทำไม่ไหนทำไม่ไหนเป็นสิ่งที่พระเจ้าตัดไปรีเแล้วถ้ามีทำไม่ไหนอยู่ก็มีมรรคมีผลอยู่ ทำไม่ไหนก็คือเส้นได้ก็ว่าได้ร้ยชีวิตของเราให้เป็นอันเดียวกันชีวิตของเรานี่ยก็เป็นคนละดอกต่างต่างต้นต่างสีกาช่วยกระจายกันต่างต้นต่างสีต่างติน การช่วยกระจายกันเมือ่อเอาเช่นน้อยปเป็นล้อยเข้ากันก็กลายเป็นพมา่าไหลนี่คือทำไปไหนกลายเป็นอันเดียวกันไม่จะเป็นสีเป็นกินเป็นต่างทนสวยงามขึ้นมาได้เมืเราเป็นอันเดียวกันอย่างนี้ก็ดว้วยมีมรรคผลนิพพานนี่บเรียบเรียบอันเดียวกันเลย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 เคยกินมารูกไหมเวลาวันทุกขมันโกรธยังไงกินข้าวได้ไหมนอนหลับไหมไอ้คนที่โกรธตายไม่ลืมกอนนั่นเนาะคนเราดึงขึ้นมาแล้วลงไปอีกเหมือนหนอนอยู่ในคูดเกียยขึ้นมาเรายังยังดิ้นลงไปอีกจะเกิดตัวลูกจะเกิดตัลูกอยเกิดตัเพื่อน ไม่โกรธเปนได้ไม่โกรธเปนได้ก็ไมโยอมก็ไ ม, ม่ยมก็ไม่รู้มันมืดบาปมืมดไม่เห็นบุญคือสว่างเห็นที่ถังถางช่วยตัวเองเป็นที่เจ้าสอนเรื่องนี้สวรรค์นในอกโลกในใจในิพพานอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนไมีนิพพานอยู่ที่นั้น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 อย่างที่ลุงตาพูดเมื่อวานนี้ว่าต ก, ตกลงว่าเป็นเสือแล้วลายไม่หลายก็ทั้ ง, งเขียนเติบเติมขึ้นมาเขียนให้เป็นหลายขึ้นมาเวามันหลงร้อยเสือคือไม่หลงสิงคือมั่นใจไม่มีแพเรียก ว, ว่าสิงเสือเคยไปดูสิงสิงโตไหมพ่อทรายโยกสวนสันตว์ดุจิตเคยไปดูไหม เราไปเรียกสิงให้มันมองเราดรกมันไม่มองใครหรอกมันก็เดินโชยยยยอยากจะยื่นมือจะเอายังไ้ให้มันดูมันไม่ดูหรอใช้สิงบันไหวอะไรชีวิตเนี้ยหลุดไปเลยโรคเนี้ยเขาเดินท่าก็ไม่วันไหวเขาสันเซิรินไม่วันไหวสุขก็ไม่วันไหวทุกข์ไม่วันไหวตายเสียไม่วันไหว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 เอาให้เกิดประโยชน์ชนเหมือนกับคนทยาภาพฟังเทศ น, น์านในในธรรมจักเรื่องนี้เข้าเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาทันทีทนทเพราะเกี่ยวกับเราเองนั้นหลงไม่หลง เหมือนพระเจ้าวสอนไปเฉพาะหน้าได้แล้วมันทุกไม่ทุกพระุทเจ้าบอกอยมาทางนี้มาทางนี้นี่คือทางความฝงไปใช้ทางกลับเข้ามาทางไม่หลงนั่นโกรธไม่โกรกลับมามันทุกไม่ทุกกลับมากลับได้หรือว่าปฏิบัติปฏิบัติคือกลับ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 มีขันธ์ทั้งห้ า, าเหมือนกับบอลลูนเลยได้พวงแพชั่นหลัดขี่ข้ามฟากามีรูปวงเอามือมารูปมชํำอย่างนี้ยกมาไหวอาจารย์ก็เป็นบอกความเ็ทความจริงอย่าเอารูปไปทําอย่างนี้นีวาจาก็เอาอาจารยมาพูดอย่างนี้เป็นเป็นรูปนาม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 ถ้าเราจะภาวนาให้รู้ว่ามาเห็นเพราะวมีลูกวันมีเจรื่องนี่แก้พระิริธก็แจ้เราก็แก้เห็นอะไรเห็นครามงหลงหลงไปทางไหนเยอะแยะอาจจะหลงถึงพิมพาราหุนเคยคนเคยมีลูกมีเมียอาจจะคิดถึงลูกถึงเมียบ้างใช่ไหม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 ไม่ใช่เรามากลัวไม่ใช่เราวาวิตการวนอะไรเราวาภาวนามีสติตัดถึงดถิงใจตัดถชิงใจหลงที่ไรตัดเชิงใจไม่หลงรู้มีรอยยิ้มนีต่อเห็นหลงเป็นหลงมันก็ไม่ทำอะไรหลงเป็นรู้ทุกข์เป็นรู้อะไรเป็นรู้ก็กรรมกรรมมาจากจิ